ข้าแต่พระนาคเสนผู้ปริชายานปัญญานี้อยู่ที่ไหนพระนาคเสนจริงแก้ไขว่าปัญญาจะได้ปรากฏว่าอยู่ที่ไหนหาไม่ได้พระเจ้ามิลินปินกาสตรัดว่าถ้ากระนั้นปัญญาหามีไม่นั่นแหละสิพระนาคเสนจริงถามว่ามหาราชดูกระบ่อพิษพระราชสมภารลมนี้ถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ที่ไหนเล่าบ่อพิษ